FM 8เ5 m ม z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2 5 6 2พระราชพิธีสำคัญในการเสด็จถลิงถวัลลยลียรราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท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 ทำสนับสนุนรุ่นใหญ่ไวเพชรรู้เท่าทันสื่อโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขอาสาดำเนินรายการโดยนัฐพลดีอุดควบคุมรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารยาดร์ดรกุลกนิต ท, ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 ครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสานะครับกลับมาพบกับผมรัฐพลดีอุดอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับคืนวันศุกร์แบบนี้ครับกับเรื่องราวข่าวสารนะฮะเกี่ยวกับงานอาสากิจกรรมอาสาต่างๆที่เราจะนำมาบอกต่อคุณผู้ฟังนะครับกับ รายการสุขอาสาหแห่งนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับสุขอาสานะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิรตนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ดร ok กุลกาิททองเงาผู้มนุยการสถานีวิทยุนะฮะเป็นผู้ควบคุมการผลิตรายการนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ครับสุขอาสานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวสารนะครับในช่วงแรกของรายการแบบนี้กับหลากหลายข่าวสารที่เราจะนํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเริ่มต้นกับเรื่องราวของ อา จิตอาสาพระราชทาน904วปรอเราทําความดีด้วยหัวใจที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับโดยเมื่อวันที่3ตุลาคม2562ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังพันตารวจตีอังกูลคล้ายครึ่งนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจณนะบริเวณสถานีรถไฟแม่กลองหรือว่าตลาดล่มหุบที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับโดยมีพันตํารวจเอกพิสนุพรามเทศนะครับรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นายอภิชาญปานปรีชาประชาสัมพันธ์จังหวัดนะฮะรวมถึงนายพัฒนาวงมุจจรินทร์นะครับนายสถานีรถไฟแม่กองนะครับพันตารวจเอกดุสิต วารีประโคนนะครับพุ่มกับกองการ1กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว3นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตํารวจท่องเที่ยวและตํารวจรถไฟรวมถึงประชาชนจิตอาสากว่า200คนนะครับเข้าวร่วมพิธีและทํากิจกรรมจิตอาสาพระราชเาน904ีวปรรเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับในการทาสีพื้นถนนสถานีรถไฟทําความสะอาดนะครับเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยร่วมถึงชาวต่างชาติมากมายนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวประมาณกว่าวันละถึงส0 0พ คนเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีขยะหรือว่าสิ่งของเศษปริกูลที่ดูไม่สอาดเรียบร้อยทำให้ ที่เหล่านั้นไม่สวยงามจึงมีการทําความสะอาดให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับไปต่อกันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนะครับในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพิทักษศาสนสถานในจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยเมื่อวันที่24กันยายน2562ที่ผ่านมานะครับนายวุฒิไกจันทามเรียนหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่อาเขต จ, จันทบุรีนะครับพร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาและนักศึกษาจำนวนกว่า27คนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้างในศาสนสถานต่างๆอย่างเช่นวัด พระอารามหลวงมัสยิดโบสถ์คลิปตลอดจนสัตว์รสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีจำนวน69แห่งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัทราสุธาพิมลรักพระบรมราชินีนะครับ ด้วยในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนักศึกษาของสาขาวิชาวิศ ว, วกรรมไฟฟ้าได้มีโอกาสใช้องค์ความรู้ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงร่วมกับทีมวิศวก ร, รไฟฟ้าจิตอาสาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีณสถานสถานที่สําคัญในจังหวัดจันทบุรีจํานวน4ี่แห่งได้แก่วัดหนองอ้อวัดน้ํารักวัดท่า หลวงร่างนะครับรวมถึงวัดบางจะจ้าไอ้อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทาความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกของอุโบสถทั้ง4ี่แห่งนี้ด้วยนะครับไปต่อกันอีกหนึ่งกิจกรรมครับคุณผู้ฟังที่จังหวัดชัยนาธนะครับในอ่า การร่วมกันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะในการจัดกิจกรรมการภายเรือเพื่อเจ้าพยาเก็บขยะจากปากน้ำโพจนถึงสมุทรปราการปีที่สองนะครับบรรยากาศที่เขื่อนเรียงหินสารากางจังหวัดชัยนาธนะครับในช่วงวันที่3ตุลาคม2 0ง2ที่ผ่านมานะครับ เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับมีจิตอาสาพระรจ้าทาน904าศวปรอเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกว่า200คนและคณะนักภายเรือในโครงการภัยเรือเพื่อเจ้าพยาเก็บขยะจากปากน้ําโพถึงสมุทรปราการปีที่2นะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเ ท, ทวานารุ่มิตรกุลนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสต ร, ร์ร่วมในพิธีนะครับดโดยนายรุ่ภพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธเป็นประธานในการนําจิตอาสากล่าวคําปริญาณเราทําความดีด้วยหัวใจก่อนแยกย้ายกันทำ ความสะอาดบริเวณเขื่อนเรียงหินและร่วมกันภายเรือเก็บขยะในแม่น้ําเจ้าพยานนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลรองที่การบดีมห ah. าวิทยาลายัยธรรมศาสตร์เปิดเผยนะครับว่ากิจกรรมภัยเรือเพื่อเจ้าพยาเก็บขยะจากปากน้ําโพถึงสมุทรปราการจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งในวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันที่3ของการภัยเรือโดยเริ่มต้นตั้งแต่วัดศรีมณีวันอําเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทจนถึงวัดสัพยาวัฒนารามอำเภอสัพยา จังหวัดชายนาฏนะครับรวมระยะทางกว่า39กิเมตรโดยมีสมาชิกชมรมจกักรยานจังหวัดชายนาฏและกลุ่มนักพายเรือจังหวัดชายนาฏร่วมกันเก็บขยะตลอดเส้นทางนะครับและจะมีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะและเสวนาปัญหาขยะในระบบนิเวศแม่น้ําถึงทะเลเพื่อการสร้าางอเพื่อสร้างการรับรู้นะครในการแก้ไขปัญหาขยะของแม่น้ําและเพื่อเตรียมการรับพระราชพิธีเสด็จพระยุหะญาตราทางโชนมาศในเดือนตุลาคมในวันที่24ตุลาคมนี้นะครับโดยกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้า ขยะเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการปีที่2จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังโดยเริ่มเส้นทางจากปากน้าโพจังหวัดนครสวรรค์ไปสิ้นสุดที่จังหวัดสมุทรปราการในวันที่10ตุลาคมรวมระยะทางทั้งสิ้น353กิโลเมตรนะครับต่อกันกับอีก1กิจกรรมเป็นกิจกรรมจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกับกิจกรรมของการนำจิตอาสาไปฟื้นฟู ที่พื้นที่ประสบภัยนะครับโดยนายดำรงศิริวิชยะอิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงเรียนบ้านท่าราชวารีวิทยาตําบลแสนสุขอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยมีส่วนราชการจังหวัดผู้แทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดนายสุเทพ พิมพิรัต์นะครับในอำเภอพนมไพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหน่วยงานภาครัฐข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสา พ, พระชาทาน904วปรรเข้าร่วมพิธีนะครับด้วยกิจกรรม ดังกล่าวนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่นตัดแต่งกิ่งไม้ตัดต้นไม้ค้ำยันต้นไม้ตัดหญ้าบริเวณสนามหญ้านะครับรวมถึงการซ่อมแซมโตะเก้าอี้ทำความสะอาดห้องน้ำห้องซ้วมและการทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไปซึ่งอำเภอพนมไพรนี้นะครับได้รับผลกระทบจากอิทธิธพลพายุโซนร้อนโพดุนจานวน13ตาบล159หมู่บ้านนะครับ 1,723 ครัวเรือนไล่นาเสียหายกว่า 51,000 90ไร่ด้วยกันนะครับต่อกันอีกหนึ่งกิจกรรมก็ผู้นู้นฟังกับการทําดีเพื่อพ่อของแผ่นดินที่จังหวัดบุรีรัมย์ในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยชมรมคนทําดีเพื่อพ่อของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับส่วนราชการสารศึกษาองค์ กองปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสานะครับในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904วปรอที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติด้านหลังที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแฝกอําเภอปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยมีนายธีรวัตรพุทธิคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีนะครับโดยได้นําข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษารวมถึงจิตอาสากว่า1000คนไปร่วมปลูกป่าที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดี สีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวและเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉลองพระชนมพรรษาครบ64พันษานะครับซึ่งทางชมรมคนทําดีเพื่อพ่อของแผ่นดินมีเป้าหมายจะปลูก ป, ป่าในพื้นที่อำเภอลำปีมากให้ครบ 99,999 ต้นด้วยกันนะครับและนี่คือเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่ผมนำมาฝากคุณฟังในช่วงของคิดอาสาในวันนี้นะครับมีหลายกิจกรรมหลายข่าวสารจากหลาย จังหวัดหลายพื้นที่ด้วยกันที่นํามาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตาม ก, ตกันต่อกับเรื่องราวของคนอาสากันนะครับวันนี้คนอาสาครับผมมีเรื่องราวเป็นเรื่องราวของจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรีในการร่วมมือสร้างศูนย์ฝึกอาชีพวัดไก่เตี้ยที่จังหวัดประทุมธานีครับน้ําหมักปลาชอยอายุยืนร้อยปีหยุดอย่าลงเชื่อง่ายๆ ย, ยาหมอบุญมีการันตีมะเร็งหายคิดให้ดีว่าเป็นไปได้ไหม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 กลับมากับช่วงนี้กับคนอาสาครับวันนี้คนอาสานําเรื่องราวของจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับในการร่วมมือสร้างศูนย์ฝึกอาชีพที่วัดไก่เตี้ยจังหวัดประทุมธานีนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทแก้วสกุลนะครับผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาอาจารย์ประจําหลักสูตรคณะครุศาตร์อุตสาหการคณะครุศาตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนะครับเปิดเผยว่าจิตอาสาราชมงคลธัญบุรีสร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพวัดไก่เตี้ยวิยาลัย ชุมชนแสงตะวันตำบลกระเชงอำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีนะครับโดยนักศึกษาที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหาการมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในรายวิชาความรับผิดชอบของครู่ช่างต่อสังคมเป็นวิชาเลือกเสรีนะครับและวิชาวิศวกรรมงานเชื่อมนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยต้องลงมือปฏิบัติโดยการบูรณาการร่วมกับชุมชนเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ลงปฏิบัติงานจริงและเปลี่ยนห้องที่ใช้สําหรับฝึกอาชีพให้กับชุมชนนะครับโดยผู้เาี่ยวชาญตระจารณ์นัดได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่า มทรธยบุรีเองได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุการฝึกนักศึกษาจากธานาคารทหารไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีนักศึกษ า, าจิตอาสาสมัครมาช่วยงานรวมกว่า60คนโดยมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนรุ่นละ20คนนะครับใช้เวลาในการสร้างหนึ่งอาทิตย์ด้วยกันซึ่งลักษณะเป็นงานเชื่อมโครงสร้างเหล็กงานประกอบและงานสถาปัตยกรรมนะครับโดยศูนย์ดังกล่าวใช้สาหรับการเก็บกีทอ ผ้าโบราณสําหรับใช้ในการทํางานของกลุ่มแม่บ้านและใช้ในการฝึกอบรมอาชีพของกลุ่มแม่บ้านทําให้มีการเรียนการสอนเป็นสัด ส, ส่วนอยู่ในพื้นที่ด้วยกันนะครับมาต่อกันที่เหล่าจิตอาสาที่ลงพื้นที่ในงานนี้ครับคุณผู้ฟังเริ่มกันที่นายอิสราข่ำโครงครับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขา ข, าขาุ้ษศาสตร์อุตสาหการคณะค้รุษศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับก็บอกว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนที่คณะค้รุษศาสต์อุตสาหกรรมเองนะครับก็มีการลงพื้นที่ ในลักษณะนี้บ่อยมากนะครับเริ่มตั้งแต่การไปเป็นค่ายเป็นสมาชิกของชมรมค่ายอาสาพัฒนาเฉริมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไปทำค่ายห ล, หลายๆที่มีการนำความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับรวมถึงงานเชื่อมก็ได้นำไปใช้ ประโยชน์รวมถึงได้ไปสร้างศูนย์ที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ให้กับกลุ่มแม่บ้านในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนทำมันเหนื่อยมากแต่พอได้เห็นผลงานที่เสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกหายเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับต่อกันกับอีกหนึ่งคนอาสานะฮะนั่นก็คือนายสมอริยะชัยวงศ์นักศึกษาชั้นปีที่3สาขาขุศาษอุตสาหกรรคณะขุศาษอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันนะครับเล่าว่าในฐานะที่เป็นประธาน ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับก็ได้มีโอกาสมาช่วยงานและคอยสอนน้องๆในการใช้อุปกรณ์ซึ่งถ้ามีเวลาว่างทางฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรเนี่ยก็จะลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ที่คณะเสมอทําความสะอาดบริเวณคณะนําจิตอาสา ไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับรวมถึงจิตอาสาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านมีคุณป้าคุณยายมีศูนย์ฝึกอาชีพนะคะสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วยนะครับ คุณฟังครับต้องบอกว่าการปฏิบัติงานของนักศึกษาในครั้งนี้นะฮะก็ได้รู้ถึงกระบวนการในการทํางานต่างๆรวมถึงการวางแผนการจัดลำดับขั้นตอนในการทํางานได้จริงนะครับรวมถึงรู้สึกรู้จักการทํางานเป็นทีมด้วยนะครับถ้าวิชาที่นักศึกษาเนี่ยฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีโอกาสให้ได้ไปทํางานแบบนี้ลงมือทําแบบนี้เป็นรูปประธรรมก็จะได้ทําเพื่อชุมชนนะครับซึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครจึงอยากให้อาจารย์รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ย น่าจะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้รวมถึงนำกิจกรรมเหล่านี้มาบูรณาการในวิชาของการเรียนการสอนก็จะทำให้เด็กๆรวมถึงนักศึกษารวมถึงวิชาเรียนเหล่านี้ได้ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมอีกทางหนึ่งด้วยกันนะครับ ฟังครับและนี่คือเรื่องราวของคนอาสาที่นํามาแชร์นามาบอกต่อในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากมทรทธัญบุรีกับการสร้างศูนย์ฝึกอาชีพที่วัดไก่เตี้ยจังหวัดปฐุมธานีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันกับช่วงสุดท้ายกับช่วงภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้ภารกิจจิตอาสาผมมีโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นโครงการวิ่งช่วยเด็กป่วยโรคหัวใจนะครับกิจกรรมจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงหน้ากับภารกิจจิตอาสาครับ เพื่อนเอ้ยรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอาบน้ำร้อนมาหลาย10บปีอย่าไปยอมให้ใครมาหลอกง่ายๆพวกโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยหน้าชื่นอกรมมนักต่อ น, นักเตือนใจไวัยเก่าต้องรู้เท่าทันสื่อหยุดสักนิดคิดให้ดีถามข้อมูลให้คั่วนทีแล้วตัดสินใจดีๆว่าควรทําตามหรือไม่สนับสนุนรุ่นใหญ่ไวเพชรไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยงโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล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 นหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาภายในงานจะได้พบกับเวทีเสวนาการนำเสนอผลงานทางวิชาการการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำ m รีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอบและร้านขายของที่ระลึกต่างๆผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 4ย3ส0 คุณผู้ฟังครับกลับมากับช่วงนี้กับภารกิจจิตอาสาครับวันนี้ภารกิจจิตอาสานําเรื่องราวของโครงการวิ่งนะครับช่วยเด็กป่วยโรคหัวใจมาฝากคุณผู้ฟังนะครับต้องบอกว่ากลับมาอีกครั้งครับคุณผู้ฟังกับโครงการ TMB IIT Park Run สองพนกะครับกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราทอนการกุศลนะครับหนึ่งในงานวิ่งแห่งปีที่ดีต่อใจนะครับซึ่งปีนี้ครับคุณผู้ฟัง TMB ร่วมกับ ING Bank จัดเต็มเอาใจนักวิ่งทุกคนนะครับ ทั้งแบบปาร์คลันวิ่งที่งานและแบบวิชวนปาร์คลันนะฮะซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลทิ่ทีเอบในการส่งมอบเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจของมูลที่เด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินนะครับเปิดจําหน่ายบัตรและรับบริจาคแล้วตั้งแต่บัตรนี้นะครับโดยนางการจนาโรจนะวะ ทันอยูนะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร TMB กล่าวนะครับว่างานนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สิบแล้วนะครับภายใต้แนวคิด you can make the difference นะครับ เพื่อให้นักวิ่งนะครับหันกลับมามองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาในทุกย่างก้าวนอกจากจะส่งผลดีต่อชีวิตของตัวเองแล้วยังช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นรวมถึงสังคมร อ, อ, อบข้างให้ดีขึ้นได้จากการร่วมบริจาค ก, การระดมทุนและซื้อบัตรวิ่งเพื่อช่วยเหลือน้องๆผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับโดยที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจได้มากกว่า 1,200 คนเลยทีเดียวนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้จะแบ่งการวิ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือประเภทแรกปาร์คลันในวันอาทิตย์ทที่15 2550ันวาคม จะวิ่งผ่านสามสวนสวยในใจกลางกรุงเทพมหาคนครณสวนสาธ า, ารณะจุจักสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจและสวนวชิระวิญญาณหรือว่าสวนรถไฟนั่นเองนะครับโดยแบ่งการวิ่งออกเป็นสามระยะด้วยกันนั่นก็คือวิ่งระยะทาง 2.6 กิโลเมตร 5.2 กิโลเมตรและ 10.5 กิโลเมตรนะครับประเภทวิ่งที่2นั้นก็คือวิ ช, ชวลปาร์คลันนะครับซึ่ง นักวิ่งสามารถวิ่งสะสมระยะที่ส่วนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม2562ระยะเวลา1เดือนด้วยกันนะครับดยที่เอสัมับสนุนเงินบริจาคเพิ่มเติมให้อีก1ล้านบาทหากนักวิ่งวิ่งช่วงฟาร์คลนทุกคนสามารถสะสมระยะทางวิ่งรวมเกิน 10,000 แกิเมตรโดยนักวิ่งที่ร่วมวิ่งสะสมระยะทางและส่งผลการวิ่งจะได้รับเหรียญรางวัลซึ่งจัดส่งให้หลังกิจกรรมครบนะครับดูคุณผู้ฟังสามารถซื้อบัตรได้ในราคา600 นะครับโดยคุณฟังท่านไหนสนใจนะฮะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0855673891นะครับคุณฟังครับนี่คือกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากในช่วงภารกิจจิตอาสาวันในวันนี้นะครับกับการวิ่งของ TMB นะครับที่วิ่งช่วยเด็ก ผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังครับและเราเดินทางมาครบทั้ง3ช่วงของรายการแล้วนะทั้งคิดอาสาคนอาสารวมถึงภารกิจจิตอาสาที่นำมาแชร์นำมาบอกต่อในรายการสุขอาสาในวันนี้นะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลากันไปนะครับสวัสดีครับ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 ันมีไม่เคยเจือจางเพราะเราเกิดมา ก, ก่อความดีทุกคนคอยเตือนตนฝึกใจไม่เดินหลงทางบันเทาภัใกล้ๆอดทนทุกอย่างเดินตามทางของคนสู่จนสุดแรงทำความดีกันด้วยวัจใจเราคนไทยรวมใจทุกแห่ง รวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานเสียสละประโยชน์ส่วนตนทุกคนดังบรรพชนสร้างไทยให้เราสำาราจคือแรงใจก้าวเดินต่อไปแสนนานเอาแรงงานทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ทุกแงรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกรงจิตอาสาพระราชท า, ทานทำด้วยความดีกันด้วยหวัวใจเราคนไทยรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกรงจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน